าาก็ขอโมทนาในกุศลเจตนาของเราทั้งหลายเนะย ถ้ามาคือจริงๆเราเข้าใจดูมุมอยู่แล้วแต่ถ้ามาเรียนให้เป็นระบบเนี่ยนะเพื่อจะเจาะลงไปลึกๆเพื่อจะเอามาเจริญกันจริงๆนะอีกอย่างใช่ไหมตอนนี้เราต้องการเอาศีลมาเจริญใช่ไหมเราต้องการเรียนศีลเชิงลึกไหมแล้วเอามาใช้ให้ได้ใช่ไหมแล้วต้องให้เห็นแกนรากของศีลนี่ได้แล้วจะได้เข้าใจศีลเพราะเรารู้เหตุผลแล้วว่าทําไมต้องรักษาศีลเออเมื่อกี้บอกศีลกา ร, ราบสาการะศีลกับวัตถุกรรมอะไรสําคัญกว่า ศีลเนี่ยศีลกับลาสกาลาศีลสาคัญกว่าศีลกับญาติเอาแล้วเอาแล้วศีลกับลูกอะอะไรสําคัญกว่าศีลกับสามีศีลกับภรรยาศีลกับพ่อแม่อะไรสําคัญกว่ากันจริงจริงเลยเลยถ้าจะไปรักษาศีลลูกบอกว่าแม่อย่าไปรักษาศีลจะเชื่อศีลหรือเชื่อลูกเนี่ย ถ้าแฟนบอกว่าเออคุณอย่าไปเลยเนี่ยตอนนี้กําลังมีธุระอยู่จะเชื่อแฟนหรือเชื่อศีลเนี่ยเริ่มคิดหนักไหมเอาศีลกับอ ว, ว, วัยวะโห้หนักไปใหญ่เล ย, ดยเดี๋ยนี้ถ้าหมอบอกว่านี่คุณหมอจะไปรักษาศีลแปดหมอบอกโอ้ยไม่ได้ เ, เป็นโรคกระเพาะเอาศีลแล้วเอากระเพาะนี่แล้วเหวี่ยแล้วเนี่ย เอาศีลเลยรักษากระพร้อยหายก่อนแล้วไปรักษาศีนี่แล้วเรเาบอกกระพร้อแล้วไม่เอาศีลแล้วนี่เห็นชั้นเล ย, ยเนี่ยนะเนี่ยจะเริ่มมองเห็นไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะเริ่มยากใช่ไหมพระอริยะทั้งหลายนี่เนะ่มดหนึ่งตัวถ้ามีใครบังคับให้ท่านค้ามดหนึ่งตัว ถ้าไม่ฆ่าและชีวิตของท่านจะต้องถูกฆ่าเดี๋ยวนี้ท่านเลือกท่านเลือกสละชีวิตแต่ไม่เลือกที่จะฆ่าหมดด้วยซิเนะท่านมองเห็นอะไรมองเห็นอะไร<ส> เ, อเอาไงดีก็ก็อย่างนี้นะเออถ้าคาราวาสก็มีมุมหลบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพลาหมดเสด็เลย เนี่ยพอพระเนี่ยเป็นสิกขาบทที่เลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นอนาคาริกผู้ไม่มีเรือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์และฉะนั้นต้องตัดสินใจตั้งแต่วันบวชต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นต้องแน่วแน่ว่าศีลของเราเนี่ยังเป็นอนิยามมาทรทำที่ยังมีความไม่แน่นอนฉะนั้นเราจะต้องสมาทานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็น นิยามมาทำทาที่เข้าถึงความแน่นอนคือโรกุตระให้ได้ฉะนั้นท่านจึงคิดบอกว่าชีวิตไม่สำคัญแต่กุศลศีล ส, สำคัญแต่ถ้าคารวาดเขาจะมีศีลห้ากุศลกรรมบวชสิบจะมีอาคิวัธรรมกศีลใช่มซึ่งเป็นจุดหลบอยู่แต่แต่ถึงแม้หลบคารวาดก็ไม่ควรประมาท ไม่ควรประมาทเพราะเพราะให้วัดดูว่าการที่เราจะดูแลกระเพาะเนี่ยเพื่อเป็นอุปนิสุยปัจจัยแก่การเดินกุศล จ, จริงหรือไม่หรือเพื่อยอย่างอื่นหรือเพื่อจะประมาทและแช่อยู่ในวัฏะถ้าการดูแลกระเพาะดูแลตาดูแลอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่สุดจริงๆเป็นข้ออ้างอันนั้นก็ไปพึงทําแต่ให้ตั้งตั้งอัธยาสัยว่า เราไม่ได้มีอย่างนั้นจริงๆเพราะเราต้องการรักษาและต้องการเล่งระดมความเพียรจริงๆถ้าตั้งอัตยาศัยถูกไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่านิดหน่อยอ้างนิดหน่อยอ้างเลยกลายเป็นข้ออ้างอันนั้นน่ะจักไม่เข้าถึงความเจริญจะไม่เข้าถึงความไปบุญเลยการรักษาศีลในลักษณะอย่างนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่เป็นไทยเป็นทาตของตัณหาไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อ ตัดสรุปสัจจสี่ไม่เป็นไปเพื่อปริทิพานเพราะไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากเพราะมันมีมุมจำกัดอยู่แต่จงตั้งหลักให้ถูกสําหรับบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายตั้งอัธยาศายไว้ว่าไม่ใช่ข้ออ้างเลยเรามีมุมอื่นอยู่แต่ว่าเมื่อหายแล้วเราจะระดมความเพียรแม้ข้อนี้เราก็จะทําให้ได้ นั้นการรักษาศีลต้องตั้งหลักให้ถูกอย่างนั้นถ้าตั้งหลักไม่ถูกน่ะเข้าน่ะเข้าทุกข้อเป็นข้ออ้างหมดเช่นโอ้ยไม่ได้หรอกลาบสกาละสําคัญกว่าโอ้ยไม่ได้อวัยวะสําคัญกว่าใช่ไหมญาติสําคัญกว่าน่ะเข้าชีวิตสําคัญกว่าศีล น, นี่เขาเรียกการรักษาศีลที่มีที่สุดการรักษาศีลมีที่สุดไม่มีผลมากไม่มีอิสงก์มากไม่เป็นใคร เป็นธาตุของตันหามานะทิฐิตันหาฉาบติดแล้วมานะความเยอะยิงสําคัญตนผิดแล้วทิถิคือเห็นผิดแล้วเพราะการรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่ออะไรการรักษาศีลเพื่อพระนิพพานใช่ไหมให้ถึงความสิ้นทุกข์น่ะแล้วถ้ารักษาแบบนั้นมันมีเงื่อนไขของตันหามานะทิถิไปฉาบติดอยู่จะพ้นทุกยังไงอันนี้ก็พ้นทุกไม่ได้ใช่ไหมมุมของศีลอยู่ตรงนี้ นั่นตรงนี้ก็ดีแต่ถ้าเป็นพระนี่นะคุณ ไ, ไม่อ้างไม่ได้บอกโอ้ไม่ได้เอามาไปโรคกระเพาะคุณจะเอาศีลหรือคุณยาวอะไถ้าคุณอ้างอโรคกระเพาะคุณเป็นอาบัติปัญจิติคุณกินเนื้อดิอ้างไม่ได้อย่างอื่นเลี่ยงได้ไหมน้ําดื่มเยอะๆหรืออย่างไงทำป่ ะ, ะถ้าไม่หายทยํายังไง อ่าถ้าไปธรอมบัติขึ้นมาถ้าตายตอนนั้นก็ลงองอบายภูมิทำไงไม่มีเงื่อนไขหลบเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะคุณตัดสินใจแต่ทีแรกแล้วก็คุณทิ้งทรัพย์ทิ้งบ้านทิ้งญาติริงๆด้วยมาเป็นบนรรพชิตใช่ไหมเป็นผู้ไม่มีเรือนออกจากเรือนแล้วเป็นสามาณาสักยะบุตรพุทธชิโนรสพระศาสดาดูแลไม่ใช่ไม่ดูแลและพระศาสดานุญาตในะถ้าป่วยหนักๆเนี่ย เมน้ำต้มเนื้อพระองค์ก็อนุญาตแต่เอาน้ำเนอะท่านอ่อนไม่มีแรงเลยพระองค์ก็อนุญาตเอาเนื้อต้มเอาแต่น้ำดื่มเนี่ยอนุญาตแบบป่วยหมดแรงนะให้นพระองค์ดูแลแต่ให้พอเป็นไปได้แต่ต้องรู้วินัยนะต้องฉลาดในวินัยนะทําไมฉลาดในวินยัยก็ไปน้ําบิดอีกก็ยังเข้าไปโรงพยาบาลหมอเฮ้ยท่านท่านป่วยกินข้าวเย็นได้เงี้ยจริงไม่ได้ ใช่ไหมมันไม่ได้หรอกไอเราอนุญาตกันเองพระก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้พ ย, พยาบาลก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้กันหมดเลยพระบางองค์เออรู้แต่ดีแล้วเขาอยากไม่รู้กันเองสบายเลยก็ไปาใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็ไปเห็นอะไรดีกว่า <potential. S 2> เห็นชีวิตเห็นความอะเยตลอล่อยเห็นตัณหาดีกว่าศีลเพราะจะมองเห็นไหม เพราะศีลเป็นตัวเจตนาที่ในกุศลกรรมที่ในกุศลจิตการคิดในลักษณะรักตัวกลัวตายเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลก็กิเลสก็ต้องละไหมในที่สุดเนี่ยต้องละไหมขันนี้ต้องละหมดไหมแล้วหวงทำามากลัวอะไรใช่ไหมก็ละปฏิบัติไปเพื่อจะทิ้งขันไม่ได้เลย เออก็อยาให้ผิดศีลนั่นแหะคิดอย่างนั้นถูกเลยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุศีลแล้วคิดแบบนั้นเออเราจะกินข้าวเย็นทุกวันแล้วเพราะร่างกายเราอ่อนเอแต่เราจะรักษาวไว้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์มันท่องได้มันท่องแค่ปากเอง่ะไหมแต่ใจมันไม่ลึกซึ้งเลยนะอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติขัดเก่าไดๆหรอกอย่างนั้นน่ะ ก็เหมือนเราท่องกันนะปฏิสังขารโยนิโสบินปาทางปฏิเสว่ามีเราย่อมพิจารณาแล้วฉันอาหารบินตาบัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายผจญเปกินกันใกินกันใอะย่างนี้ได้ได้ผลไหมไม่ได้หรอกมันไม่สักแต่ว่าท่องมันเป็นความเข้าใจอยู่เป็นความเข้าใจแล้วมันเป็นข้อปฏิบัติศีลนี่มันเลืกซึ้ด้วยการปฏิบัตินะ ถ้าเราได้ปฏิบัติกับศีแลแล้วเราจะถ้ารสชาติของศีลสัมผัสกเวทนาสัญญาสังขารถ้าเจตนาที่เป็นศีลเจตสิกที่เป็นศีลสังวรที่เป็นศีลอวิติกรมะคือการไม่ก้าร่วงที่เป็นกุศลศีลถ้าได้สัมผัสกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสัมผัสกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจะมีความละเอียดมีความสุขุมมีความสุขมากใครเคยมีความสุขกับการรักษาศีลไหมมีความสุข สุขกว่าการได้กินอาหารดีๆสุขกว่าการได้ปลมเปลอยในด้านของการมาคุณเพราะเป็นความสุขที่ละเอียดมันเป็นอย่างนี้อาพูดอย่างนี้เคยมีความสุขจากการรักษาศีลไหมไม่มๆเราดูอะไรเราดูโทษของการทุศีลใช่ไหมเมื่อเช้าเรียนไปแล้วใช่ไหมดูคุณอานิสงส์ของการมีศีลแต่ตอนนี้ก็เลยมาแจกแจงใน ล, ลักษณะลึกลงไปว่า ว่าเจตนาเขาก็ตุ้นเตือนผัสสะเราให้คิดอย่างนี้ว่าเวทนาขันจะทํากิจของเขาไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนาสัญญาขันจะทํากิจถึงการจําอารมณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนากระตุน้นหรือศรัทธาจะทํากิจถึงความเชื่อมั่นไม่ได้ถ้าไม่มีศัทธถ้าไม่มีเจตนากระตุน้นมันเหมือนว่าเจตนาเป็นหัวหน้าสิทธิ์เนี้ยเป็นหัวหน้าเป็นรุงหัวหน้าสิทธิ์ใหญ่เลยวในนี้นะมีหัวหน้าชั้นอยู่คนหนึ่งเนี้ย ท่านหนึ่งหัวหน้าชั้นก็เอาไม้มาท่านทั้งหลายช่วยกันปูผ้าปูอาสนะท่านทั้งหลายช่วยกันปูเสื่อท่านทั้งหลายถึงเวลานั้นต้องมานั่งท่านหลายถึงเวลานั้นสวดมนต์นั่นแหะหัวหน้าเป็นตัวจัดแจงวางหน้าที่ใช่ไหมหัวหน้าสิทนั้นน่ะชั้นใดเจตนาเป็นอย่างนั้นแหละเวลาเรียกพระมยุทธรรมมาก็อาพรรษามานี่มาทํากิจตรงนี้เอเวทนามาทํากิจอย่างนี้สัญญามาทํากิจอย่างนี้สังขารมาทํากิจอย่างนี้ วิญญาณมาทำกิจอย่างนี้มันจัดแจงแบบเนี้ยแล้วก็มุ่งไปต่อรวมที่เจตนาก็จัดแจงอะไรตัวเจตนาเนี่ยเป็นทักชวนกระตุ้นทำที่เกิดพร้อมกับตนให้ทําหน้าที่ของตนกิจของเขามีหน้าที่เงี้ยให้ทําหน้าที่ของตนคอยตรวจดูให้ทําหน้าที่ไหมทำํไมทำไหมทำํำไหมเจตนาศีลเป็นแบบนี้แหละถ้าเจตนาในกุศลอันนี้แปลว่าชัดเจนไหมตัวเจตนาที่เป็นกุศลศีลเขาจะคอยทําหน้าที่ ในการจัดแจงปรุงแต่งกระตุ้นเตือนชักนำชักนำเวทนาให้ทำหน้าที่ชักนำสัญญาให้ทำหน้าที่ชักนำศรัทธาให้ทำหน้าที่ชักนำวิริยะให้ทำหน้าที่ชักนำสติให้ทำหน้าที่ทักชักนำสมาธิให้ทำหน้าที่ชักนำปัญญาให้ทำหน้าที่มองเห็นไหมเจตนาก็ทำกิจในการกระตุน้นกระตุ้นจัดแจง นี่เจตนาศีลดีไหมตั้งใจจะสมาทานศีนต้องมีเจตนากระตุ้นก่อนไหมถ้า ง, งั้นเวทนาเขาเอาด้วยไหมโว้ยกระากระตุ้นตั้งหลายรอบเวทนายังไม่ก็อยากเอาใช่ไหมไม่มีความสุขหรอกรักษาศีลอากาศหนาวสิบสี่องศาสิบห้าองศาใช่ไหมกลับไปนอนที่บ้านสบายใจฟังอะไรก็รู้เราแล้วเจตนาเจตสิกเลยก็รู้ฟังก็ไม่ไมรู้เรื่องเป็นงั้นปะ ฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เราคุยกันธรมรมดาภาษาธรรมดาไม่ภาษ า, า, างง อ, งงอะไรรู้เจตนาเจตสิกฟังแล้วงงไหมอย่างงงไหมอะไรรู้เจตนาเจตสิกใช่ไหมก็บอกเจตนาเข้าใจเขาไหมาเจตนาไหมอย่าเข้าใจไหมความจงใจอะ่ะเข้าใจไหมจงใจจงใจตั้งใจที่จะสมาทานศีล พอตั้งใจเบดเสร็จก็ทำกายกรรมว จ, จีกรรมให้น้อมอยู่ไหมเอาถ้าไม่มีความตั้งใจจะมาใส่ชุดขาวรักษาศีลนะอตั้งใจด้วยโลภะได้ไหมได้นะตั้งใจผิดก็ได้เอาผิดได้ไหมเอาเราเราอยากได้เกิดมนุษย์เนี่ยเห่ ไ, ไหมเราอยากได้สวรรค์สมบัติเนี่ยพอเกิดความอยากนี้เป็นโลภะได้ไหมจริงๆเอาได้นะ อย่างนี้เขเรียกตั้งใจผิดนะใช่ไหมจริงอยู่ระวังรากฐานว่ารักษาศีลเนี่ยเราได้ดีแน่เพราะผลมีมากแต่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการออกจากพระตาเนี้ยคือการไปรนิพพานเนี่ยแล้วระวงังวางถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็วางไม่ถึงเลยอ๋อพอบอกรักษาศีลก็จะไปนิพพานกโกรธคนชวนแทบตายอยนี้ บอกเหมือนไม่บอกแต่ทีแรกเ ล, เล่นบอกฮะเนี่ยเห็นมีจริงๆด้วยอนู่นไม่กล้าใช่ไหมอ๋อไปยากถ้าไปถ้าไปถ้าไปฟังเพลงยากไหมไปดูลิเกยากไหม โรกหลานพาไปเที่ยวยากไหมแม่ไปกินอาหารอร่อยอร่อยเป็นไงยากไหมไม่ใช่ถ้าลูกหลานเชิญไปกินอาหารอร่อยอ่อยเนี่ยลําบากก็อย่าชวน น, นึ่ออัดเหลือเกินแม่เตรียมตัวทีเดี๋ยวจะหนูจะรับรับไปเที่ยวตรงนั้นหน่อยตรงนั้นเนี่ยภูเขาน่าดูทะเลก็น่าดูบอกอึดอัดขึ้นมาเลยไหมไม่อยากไปเป็นงั้นไหม อ๋อไม่ไปนะแล้วอยู่ทําอะไรเลี้ยงหลานไม่มีหลานแล้วทํำไงดูโทรทัศน์ไม่ได้ดูเลยแล้วทําอะไรอ๋อช้าสวดมนต์สวดมวนมเพื่ออะไรชัว่วมนสวดมนเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้ใจสงบนะสงบไปเพื่ออะไรขอให้ใจเย็นนะ่ะ เป็นคนขี้โมโหรลอโกนอ๋อใอจเย็นเอาอะไรมาเป็นเครื่องล่อซะเลยสบายไปเลยเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนเนาะอ๋อลเลยเดีดีแล้วมีจริงๆนะบางคนกลัวนิพพานเนี่ยกลัวการบรรลุมีโยมคนหนึ่งนะรู้จักกันเนี่ยแกก็แกก็กลัวแกบอ ก, บ อ, กอุย้ยไม่ได้หรอก มันไกลหรือเกินพรปาปรารถนาไม่ถึงหรอกคือคือถ้ามองอย่างนี้นะว่าถ้าจะให้หมดปรารถนาความเป็นมนุษย์เนี่ยมดก็จนใจนเนัินนไม่รู้เขาจะคิดยังไงคิดไม่อองนเงนะนะะั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือว่าการตั้งอัธยาศัยเนี่ยบางครั้งนี่นะเรามองให้ออกเนาะ ยอมอย่า ก, กลัวว่าปรารถนาปรารถนาไกลแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ได้ท่านสอนว่าอย่าไปคิดแคบอย่าไปมองใกล้ๆนะอย่าไปคิดแคบมองใกล้ต้องคิดกว้างไหมยนยะต้องมองนะต้องคิดกว้างมองไกลด้วยนะต้องฝ่ายสูงด้ว ย, ยไหมฝ่ายพระนิพพานนะ ให้ไม่สูงได้ไงไปคิดแคบมองใกล้ไปไม่ดีเลยจะไม่ <laughs> นี่ยอมพูดเองนะ <laughs> นี่เป็นข้อห้ามคิดแคบมองใกล้เพรยิ่งการเจริญกุศลได้แล้วเนี่ยไปมองว่าอุ้ยไปไม่ถึงเหมือนคนบางคนว่าโอ้ยฉันรักษาศีลไม่ได้หรอกอยากเขาบอกอะไรเราเขาบอกอะไรเรา เขาบอกว่าเขาเขาไม่อยากเป็นมนุษย์อีกแล้วมันยากเขาไม่อยากเขารับไม่ได้คุณธรรมความเป็นมนุษย์มันหนักมันต้องมาทําดีมันต้องมารักษาศีลเขาขอกลับที่เดิมดีกว่าอันเดียวกันไหมพอมันหนักสําหรับเขาเหลือเกินมันไม่ไหวเขาแบกับแบกภาระไม่ไหว เพราะกุศลกรรมบทสิบสี่ห้าเนี่ยหนักเนี่ยเขาทำไม่ไหวแล้วเขาขอปล่อยใจสบายๆดีกว่าอยากจะโลภ ก, ก็โลภบ้างก็อย่างนี้ดีกว่าอยากจะโกรธอยากจะทําอะไรก็ ข, ขอเป็นอิสระตามอํานาจของกิเลสดีกว่าอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเขาไม่เอาอีกแล้วมนุษย์เนี่ยมันยากแล้วยิ่งสูงกว่ามนุษย์เขาก็ไม่เอาเขาขอที่ลงต่ํากว่ามนุษย์ดีกว่าใช่ไหม เข้าใจไหมตรงนี้เราต้องคิดให้ออกว่าว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่ครูบาอาจารย์นัานพูดว่ากรณีที่ที่ที่พูดว่ามันต้องทวนไหมต้องทวนมันจะดูเหมือนยากใหม่ๆ ม, มันเหมือนยากใหม่ๆท่านนะยง ใหที่เราว่ายากเนี่ยยอมลองนึกถึงสภาพที่เราทํามาหากินดิยมหากินมาจนสามารถอยู่มาได้วันเนี้ยบางครั้งยอมเสี่ยงชีวิตนะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยในชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตยอมเหน็ดยอมเหนื่อยนั่งหลังโคตหลังแข็งนะทํางานเนี่ย โดยสำนวนเนี่ยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตบางคนเนี่ยใช่ไหมทำงานแสนจะลำบากเครียดก็เครียดทนทรมานกันอยู่เลยบางคนแท่เป็นโรคประสาทเลยนะทำมาหากินในเรื่องการมคุณเนี่ยหาวัตถุกรรมนเนี่ยแต่เราก้าแต่พอมาเจริญกุศลเราชอบแบบง่ายๆฟังสบายๆแล้วนั่งหลับตาแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องเจออุปสรรคอะไรเลย ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรหรอกนั่งพอใจสงบหน่อยแล้วพานิพานปรากฏเองแวบเงี้ยมันไม่มีจริงๆพระเจ้าบอกว่าอะไจะบรรลุธรรมชั้นเลิอดด้วยธรรมที่เลิอดไม่ใช่บรรลุธรรมที่เลิอดด้วยธรรมะที่เล็วนะจะบรรลุพานิพานด้วยโลภะไม่ได้จะบรรลุพานิพานด้วยโทสะไม่ได้จะบรรลุพานิพานด้วยถีนมิทะไม่ได้ จะบรรลุพระนิพพานด้วยอุทธะจากกุกุจะฟุ้งซ่านลาคาญใจไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยโมหะไม่ได้คือความไม่รู้ไม่ได้ฉะนั้นจะบรรลุธรรมที่เลิดต้องธรรมะที่เลิดแต่จะบรรลุธรรมะที่เลิดด้วยธรรมะที่เลวไม่ได้เหตุผลต้องโตเหตุกับผลต้องต้องสมดุลกันไหมต้องสมดุลกันเราปรารถนาพ้นทุก ต้องเหนื่อยก่อนไหมต้องเหนื่อยยอมอยากจะมีบ้านทักหลังเนีย here, ่ยยอมต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะมีรถทักคันเนี่ยก็เหนื่อยอยากจะมีแฟนสักคนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไล่ไปเหอะเหนื่อยทุกเรื่องอยากมีลูกมีร้านมีเลเหนื่อยหมดนี่ปรารถนาจะบรรู้พระนิพพานแบบไม่ต้องเหนื่อยเป็นไปได้ไหม ไม่ได้คิดใหม่รี่ยงงตนอนนี้ยอาจารย์พูดถึงเรื่องเจตนาก็คือสภาพที่จัดแจงกระตุน้นชักนำทำที่เกิดพร้อมกับตนที่ทาหน้าที่เหมือนหัวหน้าสิทเนี่ยเหมือนกับแม่ทัพเหมือนกับแม่ทัพเนี่ยแม่ทัพเนี่ยเวลาลูกน้องเนี่ยอ่อนแอกระตุน้นไหมกระตุน้นเห็นไหมอาจารย์ที่ท่านมาสอนตอนเช้าท่านพยายามกระตุ้นพวกเราไหม ไม่กระตุ้นได้ไหมอ่อนแอจะพับลงได้เลยใช่ไหมท่านพยายามกระตุน้นกระตุ้นก็บอกต้องคิดนะท่านยังไม่ได้ฟังเหม่ยที่ลำบาก็ต้องไปคิดคําพูดอยู่เลยเนี่ ย, ยคือ่อิคือนท่านจะใช้คําพูดได้ดีกว่ามาใช่ไหมเพราะท่านคงอายุ น, น้อยกว่าคน <laughs> อ, อายุ น, น้อยกว่าแล้วก็มีประสบะการณ์ทั้งโลกเยอะอ่านมาเป็นคนมีประสบะการณ์ทั้งโลกน้อยมากแล้วก็ลืมขบวนแล้วเข้ามาจะลืมหน้าลืมหลังหมดเลย <Es per ate> ใชลืมหมดเลยก็เลยเอ๊ะบางครั้งภาษาทางโลกเขาใช้อะไรกันอะมาก็ไม่รู้เลยบางทีเขาไ่นั่งฟังนี่อันนี้อะไรนี่ถ้าหากเขาจริงๆถากว่าโดยโด ย, โดยความถนัดของอามาก็คือไล่ตามสูตรเลยนะเพราะพพว่าไปเลยนะเนี่ยอามาก็มาเห็นพวกเราก็ต้องมาค่อยๆว่าไปเข้าใจว่าเพราะปกติอะมาไม่ได้สแสดงทำลักษณะนี้ ก็แสดงไปตามสูตรตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยแต่ก่อมาไม่เคยเข้าใจเราพราะมาเข้าใจคนี้ว่าคนหนึ่งเข้าใจไ <c oughs> ล่ ย, ยาวปับป๊บๆเลยนี่ต้องจริงเลยเนะี่ยมาเดี๋ยวนี้พอไม่ถามเขางถามอะไรผิดหวังทุกทีถามก็ผิดหวังถามก็ผิดหวังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเข้าใจแล้วคือคือการที่เราห่างห่างจากครวญมานานเนาะแล้วก็ห่างจากการพบปะผู้คนเนะ่ แล้วก็นึกว่าเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาคงเสกคุณว่าทำกันจนสุดแรงฤทธิ์เลยแล้วก็ไล่ตามลําดับสูตรเลยใช่ไหมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจากครูยานปัญญาวิชาเ ม, มาก็ไล่ไปตามลําดับเนี้ยพอมาถามเขาาก็าบอกเขาหมึนหมดแล้วไม่รู้เรื่อยมาก็เลยไม่มันเป็นอย่างนี้นะผลปรากฏก็คือเขาเขาไม่เข้าใจเน้นภาษาที่ใช้ก็เลยมาตอนนี้ก็เลยต้องค่อยๆถามไปค่อยๆถาม ฉะนั้นเจตนาเหมือนหัวหน้าสิทธ์เหมือนกับเมตทัพทีนี้ก็จับประเด็นได้แล้วแต่นี้ยเจตนาที่เกิดร่วมกันกับกุศลจิจวัตรนะทีเ่เป็นไปกับกุศลก็หมายความบอกว่าเขาก็ไปจัดแจงเวทนาเป็นต้นเหล่าเนี้นะให้ทําหน้าที่ของตนเองทํากิจในการกระทบอารมณ์ก็คือหมายความบอกว่าให้ด้วยอํานาจของการอนุเคราะห์หรือด้วยอํานาจของการที่ว่าเจตนานั่แหละเป็นตัวคอยคอยกระตุน้น คอยบอกคอยกล่าวให้สภาพธรรมเหล่าเนี้ยไปทํากิจฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลศีลเนี่ยนะเจตนาของบุคคลผู้วิรัติอยู่เว้นจากทุจริตทั้งหลายเนะี่ยตั้งใจที่จะงดเว้นจากการข้า ง, งดเว้นจากการรับงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเหล่าเนี้ยสภาพของเจตนาเหล่านั้นก็มาทํากิจในการที่จะมาจัดแจงใช่ไหมเป็นไปกับกุศล เช่นตั้งใจในการสมาทานสิงปาณาติปาทาเวระเมเจตนานะความตั้งใจแต่ว่าได้ข้อมูลมาก่อนแล้วว่ากุศลศีลเป็นรัตนาะเป็นของดีเป็นของประเสรศิฐเป็นของเลิศมีผลมากมีอานิสงส์มากไม่หาประมาณไม่ได้ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีอานิสงส์การไม่มีศีลนั้นเป็นโทษมีโทษอย่างไรต่างๆพระท่านขยายไปแล้วเนี่ยมุมเนี้ยพอมาพิจารณาอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปัญญามาทํากิจเนะ ปัญญามาทำกิจในการวิจัยกรรมและผลของกรรมใช่ไหมเจตนาเป็นผีชานิทานกิจจะเป็นผีชานิทานากิจจะแปลว่าอะไรเป็นกุศลกรรมเป็นศีลเจตนาเจตสิกเป็นกุศลกรรมเป็นกิจพิเศษเขาเรียกผีชานิทานากิจก็คือเป็นศีลเจตนากรรมที่ทำหน้าที่เป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นมเมล็ดพันธุ์พา ะ, มะเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกิดเสวยผลต่อไปในอนาคต ฉะนั้นเราจะเพาะเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเพาะเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการรักเพาะเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการพื้นผิดในกามเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจร์เพาะลงไปสิทีนี้การเพาะนี่เนี้ยบางครั้งเราปลูกครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยอเอาเมล็ดนี้ปลูกปุ๊บแล้วไม่รดน้ําวนดินเป็นไงโย่เป็นยังไง สีนก็เหลืองหมดแล้วใช่ไหมไม่รู้นี่กี่วันแล้วเนี่ยปลูกศีนมากี่วันแล้วรดน้ําไปกี่ครั้งหลายครั้งแนะ่นอนเอาน้ําร้อนไปรวกก็หมไม่ใช่เนี่ยแต่รดน่ะอ๋อกุศลศีนเดินดีไหมในกระแสะจิตใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามหน่อยแล้วว่าศีนเกิดยังไงอา้าอันนี้อะไรเนี่ยแล้วมองมาแล้วกุศลศีนก็ไหนเกิด อันเนี้ยเห็นดินสอนี่แล้วเมื่อกี้บอกว่ากุศสศาสนจเจริญแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าเจริญรับอารมณ์แล้วกุูสอศาสนจเจริญจริงไหมเอา้าอ๋อได้หนึ่งข้อเองนี่เอาไปฆ่ า, าคนตายได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้เห็น ไ, ไหมไม่ตายหรือไม่ใช่แทงคนตายไหมเนี่ย ไม่ตายเลยโอแทงก็ตายนี่เนี่ยตายไม่ตายตายไม่รอดหรอกเนี่ยตายให้ไปนัติบาตได้ไหมอธินาทานได้ไหมผิดกามเมศวิชฌ า, ารนเพราะอินสอนนี่ได้ไหมเนี่ยเขียนจดหมายบอกเขานัดแน่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมมูสาวาจได้ไหมปีสุณาวาจาได้ไหยพ ร, รุสวาจาพูดหยาบได้ด้วยไหม แล้วก็พูดเพอ้อเจอได้ไหมเนี่ยได้เถอโลบได้ไหมโกโรธได้ไหมเห็นผิดว่าเป็นดินสอได้ไหม ท, ท, ทั้งที่เป็นดินน้ําไปลมเนี่ยเห็นเป็นดินดินสออกุศลกรรมบทสิบเรียบร้อยเอาสิเนี่ยแล้วผิดศีลได้หมดเลยเอาสิแล้วมันรดน้ำเจริญจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วผิดได้จริงเปล่าเมื่อกี้ ก็ต้องสมาทานงดเว้นให้หมดหรือเปล่าที่มันไม่ผิดเพราะมันยังไม่ได้โอกาสเข้าใจป่าวเพราะความไม่ได้ตั้งใจไว้ไม่ได้เห็นโทษของการโทษศีลเพราะการที่เห็นดินสอหนึ่งด้ามนี่แหละตรงนี้พอจะมองเห็นใช่ไหมเห็นไหมว่า ถ้ากุศลศีลเนี่ยมีความเจริญมีความงอกงามมีความไพัยบุ์มีความคล่องแคล่วทุกอารมณ์เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตัวกุศลศีลจะเดินได้ทุกเรื่องอันนี้แปลว่ากุศลศีลเจริญจริงๆ ง, งอกงามจริงๆกรณีอย่างเนี้ยพอหลังจากตนเองนั้นเน่ยงดเว้นจากบาปอากุศลธรรมได้เพราะการเห็นสีสีนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ ถามว่าความสุขใจจะเกิดขึ้นจากกุศลศีลไหมเกิดไม่เกิดจะเกิดเฉนนั้นปัจจัยรอบด้านของเราทั้งหลายวัตถุรอบด้านทั้งหลายเป็นเหตุถึงการทุศีลได้หมดนี่เราลืมมองลืมไข่ครวรลืมวิจัยลืมพิจารณาทานยังปีวิจัยยาทานนังเลยใช่ไหมศีลต้องวิจัยไหมปัญญาต้องมาทําจิตวิจัยนะ เคยรักษาศีลแบบนี้ไหมเคยไหมโยมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออแต่อย่างนี้เราโอ้น่าชื่นใจจังรักษาศีลก็วิจัยแบบนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยเจตนาเหล่านี้นะเป็นเจตนาที่เป็นที่ทําหน้าที่ในการเพราะเพราะว่าทุกกุศลแลเจตนาที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นบาปประทำทั้งหลายเหล่าเนี้ยทุกเม็ดของเจตนาที่เพาะลงไปนั้นเป็นการ ปลูกต้นกล้าของกุศลศีลเพื่ออะไรเพื่อการได้เสวยผลต่ อ, ตอไปในอนาคตถ้าปริมาณของเม็ดของกุศลศีลไม่มีความหนาแน่นไม่พอกพูนไม่เจริญอย่างนี้แล้วตัวกุศลศีล น, นั้นจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิปัญญาเป็นต้นได้อย่างไร